โลมาโอกาดจากขุนทริยะมูลกะในสามอเจ็หอนุจกขุนสีในภูมิใดกําลังเกิดโสตินสีในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมอ น, นุ โ, มมปปโลมปุคโลกาสจากขุนทริยะมูลกะใน3ามรอ น, นุจ็กอุจขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปาชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดาแต่กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตินรีก็จกเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติโสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด คานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรขู่เกิดได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินสีก็จะเกิดปฏิ คลาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลามาวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิคลาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรผูกเกิดได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิคลาเนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และจกักรุขนสีก็กำลังเกิดอนุจกักระขนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิถินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกร บ, บุคคลผู้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิรูปมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจกักระขนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่อิทินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรผุเกิดได้กําลังอุบัต <innate S 2> <worldwide>. ิในกลามวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทินสีก็จะเกิดปฏิอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกลามวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรผุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกลามวจรภูมิ เอกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากูุเกิดได้กําหนดอุบัติในการมรรจพูมิเอกทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีเขาก็กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริศินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชินพวิกรบุคคล ผู้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิและรูปาวจรภูมิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจะขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังอุบัติแต่ปุริสินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินสีก็จะเกิด <บ> <PTSD> ปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจกขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมอวจรภูมิบุคคลผู้มีจักรผุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมอวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จกขุนสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรผุเกิดได้กําลังอุบัติในกรรมอวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และจักขุขกกนศีก็กำลังเกิดอนุจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจจิมภวิกระบุคคนผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจักรขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรขุเกิดได้กำลังอุบัติจักรขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด และชีวิตินทร์สีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขรเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพรวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจกักรเกิดได้มีอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินรีไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขผุเกิดได้กำลังอุบัติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินรีก็จะเกิดปฏิสมณสินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขุนสีของบุคล ค, บคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวกระูมิบุคคลผู้มีจกักรผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิสมณสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่จากขุนศีไม่ใช่ดกาลังเกิดบุคคลผู้มีจกักขควเกิดแรกกําลังอุบัติสมณสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโอเปบขินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวัวการาภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจกักขควเกิดได้ และมีจิตเป็นสมณะจากอุบัติแล้วบริญิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเบกขินศีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรกุเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเบกขินศีก็จากเกิดปฏิอุเบกขินศีของบุคคลใดในภูมิใดจากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัต well ิในกลามวจรภูมิและอรูภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด สัจทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ ส, สัจทินรีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคุเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัจทินรีก็จักเกิดปฏิสัจทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด จากขุนส Zukunft, <b ord elt> greasy, ีของบุคคลนั du ้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปรญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและอรูปภูมิชาตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติชาตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดอนุ จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญยินรียมณีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจ้วการภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มณีศีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจากผูกเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณีศีก็จากเกิดปฏิ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 และจากขุนสีก็กาลังเกิดจากขุนทเรยะมูลกะในจบคานินทริยะมูลกะในสาร้อยสิบเจ็ดอนุคานินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปรจชิมพระวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพ โดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นก of of ําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิถินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิถินรีก็จะเกิดปฏิอิถินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินรียก็กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิปชินพระวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่บริสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและบริสินสีค่อยจะเกิด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 และคานินนซีก็กำลังเกิดอนุคานินทซีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพระวิเคราะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตินซีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินทซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด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 และคาเนินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุคาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปทิมพระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในค า, ามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติคาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แตโสมนสินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโ ส, สมนสินรีก็จะเกิดปฏิโสมนสินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคานินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช <V. S 1> ่ไหมวิ ừ. บุคคลผู้กำลังจุติจากกลาววจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลาววจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาณินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาณินสีก็กำลังเกิดอนุคาณินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปริมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในครามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและวปรินิพานบุคคลเหล่านั S <S ้นกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินซีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเบกินซีก็จะเกิดปฏิ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 อเบกินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานนนซีก็กำลังเกิดอนุค่านินทีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัดทินซีของบุคนนบคล น, น, น, น, น, น, น, น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิทิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิค่านินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัทินซีไม่ใช่จัเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคา น, นะเกิดได้กำลัอุบัติ คาินนซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและซาตินรียก็จะเกิดปฏิซาตินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมอวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลมงอุบัติในกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิซาตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติจัตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาเนนรียก็กำลังเกิดอนุคาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญรีย์มเนนรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มมินทรีย์ไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินสีก็จะเกิดปฏิมนินสีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคาราวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิมนิีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ขาดนิศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคาณะเกิดได้กำลังอุบัติมนิีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและขาดนิศีก็กำลังเกิดขาดนินริยะมูลกะในจบอิทิ้ทริยะมูลกะในสามร้อยเจ็ดสิบปดอนุอิทิ้นศีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ปรสิสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทธิส์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปริสินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ อิทธ <Pot ts. S 1> Bu ินิส Bu ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินิสีก็จะเกิดปฏิปุริสินิสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทถินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลามาวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามาวจรภูมิปุริสินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทถินิสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธิสีก็กำลังเกิดอนุอิทธิสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจิ้นพระวิตริบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ชีวิตสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้ม <interpret ations> ีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทินทรี์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากคามวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคาราวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินทร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินทร์สีก็กำลังเกิดอนุอิทินทรียีของบุคคลใดในภูมิดายกำลังเกิดโสมนัสินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพระวิกคะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ และบุคคลเหล่าได้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอิทธินิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสิน ส, สีนขัวจากเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจากเกิด อิทธิ์ศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกางมาวจรภูมิบุคคลผู้ ม, มีอิทธิเกิดไม่ได้กำํำลังอุบัติในกางมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ <Points S 1> สมณ ส, สิลสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธิ์รียลไม่ใช่กำํำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสมณสิลสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธิ์รีลก็กําลังเกิด อนุอิตินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกคะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจับอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอิตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ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 อุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรีก็กำลังเกิดอนุอิทธินรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจินเพวิขะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ อิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัตทินรีก็จกเกิดปฏิสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากความวจรภูมิ บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิสัดสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิสิินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสัดสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิสิินสีก็กำลังเกิดอนุอิสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ปัญญินซีมนินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิปฏิทินวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนินซีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินซีก็จะเกิดปฏิมนินซีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด อิทธิน <Str GI> <อ>ิจีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปวจรภูมิอรูปวจรภูมิมนินทจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินิีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และอิถินรีก็กําลังเกิดพิถินทลิยามูลกะในจบปุริสินทลิยามูลกะในสาม้อเจ็ดสอนุปุริสินซีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพรวิกรบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีปุริสชาเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกางมาวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกางมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ อรูปรวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่ปุริสินทร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสจาเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินทร์สีก็กำลังเกิดอนุปุริดดนนรสินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมณสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพระวิเคะบุคคลผู้มีปุริสจาเกิดได้กำลังอุบัติ และบุคคลเหล่าใดมีปุริษักเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาเกิดแล้วจากบริณิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินกก ส, สีก็จากเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจากเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลามวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสากเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่บุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสากเกิดได้กำลังอุบัติสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และป ir, Cold, ุริสินสีก็กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมิน we ั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิตะบุคคลผู้มีป AUDI claro ุริสจเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดผู้มีปุริสจาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่อุเปกินรียไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจักเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกินรีก็จักเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดปุริสินสีของบุคลบคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกา ร, ร, รมวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกา ร, รมวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่บุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสจัดเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและบุริสินสีก็กำลังเกิดอนุบุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัดทินรีปันยินรีมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิปชิมพรวิกรบุคคลผู้มีปุริจาศเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีปุริจาศเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินทรียก็จากเกิดปฏิเมเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดจากเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกางมวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสจาเกิดได้กำลังอุบัติมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิด ปุริสินเทยะมลกะในจบชีวิตินเริยมมลกะในสามร้อยแปดสิบอนุชีวิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโซมันสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอาศนิสัต ภ, ภูมิชีวิตตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กํำลังอุบัติในเจตุัวการภูมิและปัญจวัวคารภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัติการ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินทรียีก็จะเกิดปฏิสมณสินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในปวัติการสมณสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปะทะาทัณะแห่งจิตในปวัติการสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินรีข้อกำลังเกิดอนุชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปะทะาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปาทัขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กําลังอุบัติในอัศนิสัตตพูมิชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปขินทรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุววกรพูมิและปัญจวกรพูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัติการชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปขินสีก็จะเกิดปฏิ อุเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตจินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิในอุปาทขขณะแห่งจิตในประวัติการ อุปเอยินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตินทรียข้อกําลังเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชาตินรีย์ปันยินรีเมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจตุวการภูมิและปัญจวคารภูมิในอุปาทคณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนินรีก็จะเกิดปฏิมนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิ ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมณิณณ์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมนิณณ์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและชีวิตรีก็กำลังเกิดชีวิติณทริยะมูลกะในจบโมณสินทริยะมูลกะใน 1> 1. นนสาม้อปสิบเอ็ดอนุโสมนัสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตธ์ด้วยโสมนัสปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในอุปาทคขณะแห่งจิตนั้นโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรียไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี <zet> niet, ้มีจิตเป็นโสมนัตกาลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัตในประวัติการโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกินรีก็จะเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดโสมนัสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากโสมนัต โอเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยสมนัณในประวัติการอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและสมนัสินสีก็กำลังเกิดอนุสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัตินสีปัญญินรีย์ มณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขนาแห่งปัฏิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นสมณัติกำลังอุบัติในอุปาทพนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติในประวัติการสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณินรีย์ก็จักเกิดปฏิ มณียีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากสมณัตมณีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นสมณัตกาลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยสมณัตในประวัติการ มนณีนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและสมนณีนศีก็กำลังเกิดสมณีศีเทียรยมูลกะในจบอุเปกินทรียรมูลกะในสามร้อยแปดสิบสองอนุอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัตตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาชขณะแห่งปัติมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขา อุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัจทินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุติอุเบกขาในประวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัจทินสียก็จะเกิดปฏิสัจทินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในพังค <N> ์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากอุเบกขาสัดถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดแต่อุเบขินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขาในปรวัติการสัดถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและอุเบขินสีก็กำลังเกิดอนุอุเบขินสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด ินทรีสีมณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัฏิมจิต ท, ที่สัมพยุตด้วยอุเบกขาอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มณีสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่สัมพยุตด้วยอุเบกขาในปวัติการอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณียีก็จกเกิด ปฏิเมนินซีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบคามนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบคากําลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบคาในประวัติการ มณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปกินรีก็กําลังเกิดอุเปกินทริยะมูลกะไนจบสัถินทริยะมูลกะไนสามร้อยแปสิบสาอนุสถินศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็้จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมตินทศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด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 ในอุปาทัณะแห่งจิตที่วิปยุติจากศรัทธาปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สัจทินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุติด้วยศรัทธาในประวัติการปัญญีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัจทินรียก็กำลังเกิดอนุสัจทินรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมนณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้เป็นเหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยศรัทธาในปวัตถุการสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมะนินทรียก็จักเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด สัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอังาคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธามนินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยศรัทธาในประวัติการมนินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิด ทัินเทระยะมูลกะในจบปัญญินเทระยะมูลกะในสาม้อปส น, นุปัญญินซีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมนินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทกณะแห่งปัจฉิมจิตปัญญินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนินซีไม่ใช่จะเกิดบุคคลน่านี้ผู้เป็นญาณสัมปยุ์กำลังอุบัติ ในอุปาทคณะแห่ง <welche> จิตท <winner> <outfit> ี AH> ่สัมปยุทธ์ด้วยยาในประวัติการปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมณินทรียก็จะเกิดปฏิมณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุทธ์จากยามณินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่ปัญญินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุกกำนองอุบัติในอุปาทคณะเห่นจิตที่สัมปยุ์ด้วยยาในประวัติการมนินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปัญญินรีก็กำลังเกิดปัญ น, นทลียามูลกะในจก